Thank <laughs> you.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 อเมริกาเนี่ยเขามีเหตุการณ์ส1ปกัน ญ, ญาเมืองไทยก็มีเหตุการณ์หกตุลาพูดแบบนี้อาจจะดูเหมือนว่าเกินเลยไปบ้างนะเพราะว่าเหตุการณ์สเกัน ญ, ญานี่คนตายเป็นสองสมพันคนเหตุการณ์หกตุลาตัวเลขทางการกบอกสี่สิบกวคนนะแต่ว่าตายริงอาจจะเป็นร้อยนะแต่คนที่ได้รับผลกระทบนี่ถูกจับติดคุกติดตารางนี่ก็สามพันคน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 ทำนอนาจารกับศพเช่นชีใสบ้างละหรือว่าทํามีดมีลายกับร่างของผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าทำก่อนตายหรือหลังตายพวกนี้มันมีการถ่ายเป็นอ่าเป็นภาพถ่ายเนะีน่ยะหมดแล้วก็ที่ไม่เป็นภาพก็คงมีเยอะซึ่งเหตุการณ์สะเบกันยามันไม่มีภาพแบบนี้หรอกแต่ทั้งสองเหตุการณ์อีกอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือมันเกิดจาก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 พระพุทธเจ้าเคยตรัสนะถึงคนสี่ประเภทนะเปรียบกับม้าสี่ชนิดม้าชนิดแรกเนี่ยแค่เห็นเงาประตักเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชน้นที่สองเนี่ยต้องโดนทิ่มต้องโดนประตักทิ่มนะมันถึงจะรู้ว่าควรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือต้องเจ็บก่อนไประเภทที่สามเนี่ยต้องโดนทิ่มนะถึงเนื้อนะต้องเจ็บกว่าเดิมนะถึงจะรู้ พระเภ ท, ทสีต้องโดนทิ่มไปถึงกระดูกเลยเนี่ยถึงจะรู้ว่าจเจริวซ้ายเลี้วขวาก็เปรียบได้คนสีประเภทประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ได้ข่าวว่ามีคนตายแค่ได้ยินเท่านั้นแหละก็เกิดความตื่นตัวคนขวายนะปฏิบัติธรรมประเภทที่สองต้องเห็นคนตายก่อนเห็นคนตายก็สยองแล้วโอ้เอาละตอนนี้ก็ขนขวายแล้วหันหน้าเข้าหาวัดนะปฏิบัติธรรม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 มันมีคำพูดว่าเป็นภาษาฝรั่งก็ forgive not forget นะให้อภัยได้แต่อย่าลืมนะเวลาเร า, เราล่ลึกถึงเหตุการณ์แบบนี้นะเหตุการณ์ที่เสยดสยองแบบนี้เนี่ยนะเราก็พร้อมจะให้อภัยแต่ว่าต้องไม่ลืมส่วนเรื่องการดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ก็ไปว่ากันไปนะเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ในทางธรรมแล้วเนี่ยนะ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 42ปีเนี่ยก็มีเหตุการณ์นองเลือดใหญ่ใเนี่ยครั้งเข้าไปแล้ว14ตุลาห6ตุลา19แล้วก็พฤษภา53แล้วก็พุษภา3พ ฤ, พฤษภาสหแล้วพฤทภา53น่ยังไม่นับการวินาศกรรมกรันประทะกันจนมีคนตายประปรายหลายครั้ง เวลามีการชุมนุมนทั้งของเสื้อแดงทั้งของพันธมิตรทั้งของกอปปสเนี่ยมันไม่ค่อยมีประเทศไหนนะที่มีเหตุการณ์นองเลือดติดติดกันเนี่ยสี่ห้าครั้งในเวลาไม่ถึงสี่สิบปีนะมันแสดงว่าคนไทยนี่ไม่ได้สรุป บ, บทเรียนเลย น, นี่บทเรียนจากเหตุการณ์นี้มีอะไรบ้างนะที่สำคัญเนี่ยสำหรับพวกเราชาวพุทธเนี่ยนะ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 แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมก็ยังทำร้ายจนตา ย, ยไม่มีปืนไม่มีอะไรนะก็ใช้วอาวุธใกล้ตัวนี่แหละลิ่มบ้างไม้บ้างฟาเข้าไปอะไรทำให้คนเราเป็นอย่างนั้นคนเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องอาจจะเป็นคนมีน้าใจเ อ, อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ก็เหมือนกับเราๆท่านท่านนี่แหละนะ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 ถ้าความโกรธความเกลียดมันคลองใจจนลืมตัวหลายคนสงสัยว่าเอา้าแล้วคนอื่นที่อยู่รอบๆทําไมเขาไม่ไปช่วยไอ้พวกที่มันแย่เหลือเกินจริงๆถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์งั้นเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันเพราะความกลัวใอ้เหตุการณ์6ตุลานี่ตอนที่ธรรมม า, อ, าอยู่ในธรรมศาสตร์นี่ก็ไม่รับรู้นะว่ามันมีเหตุการณ์เสียดเสียลอะไรบ้าง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 เรียเป็นแถวเรียงหนึ่งบอกว่ามีคนเนี่ยเรียประชาชนผู้รักชาติยืนเป็นแถวเลยนะสองสองแถวพอเราวิ่งขึ้นรถผ่านเข้าก็เตะเตะบ้างทีบ้างนะมีคนหนึ่งโดนเตะจนล้มเลยแล้วจุกมากเลยเหลือมองไปที่ใบหน้าของประชาชนผู้รักชาตินะ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 ก็เลยตั้งตั้งความปัดตั้งตั้งจิตว่าเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นศัตรูกับความโกรธความเกลียดนะไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะทําลายล้างใครให้อาภัยเขาได้ซ้ำนะให้อาภัยคนที่เขาเขาเตะเขาถีบเราเพราะรู้ว่าเขาเขาไม่รู้ตัวเราว่าเขาอะไรอยู่เอาคนเราเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาทำอะไรอยู่เพราะว่าเขาลืมตัวไปแล้วแต่ที่เขาเป็นงั้นเพราะความโกรธความเกลียดนั่นแหละ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 ถดูหมินศักดิ์สีนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยผัวไปงอนเงาะเมียให้กลับมาอยู่บ้านมาเลี้ยงลูกเ <c oughs> มียก็ไม่ยอมผัว ก, ก็อุตซาอ้อนวอนเมียก็เฉยแถมได้อีกอผันะว ก, ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียหน้า <c oughs> รู้สึกดูถูกนะถูกหยามศักดิ์สีนะไอ้มาณาเนี่ยมันถูกกระทบอย่างแรง ก็เลยหาทางที่เอาชนะวิธีที่เอาชนะก็คือการฆ่าผู้หญิงคนนั้นเอาคนเรานี่มันมีมานะมานันนี่มันไม่ยอมแพ้นะถูกดา่าถูกเหยียดหยามในความรู้สึกของเ้าเนี่ยก็ต้องเอาชนะก็เลยฆ่าซะเลยหรือพูดนักเรียนอาชีวะที่ทุบตีกันทำลายกันก็เพเื่อเรื่องของศักดิ์ศรีหน้าตา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 คือเป็นคอมมอนนิสต์นะ่ะนะเพราะเขาได้ข้อมูลถูกปลุกปั่นยุยงมาสมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียก็มีสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ปลุกปั่นกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นักษาก็เลยถูกวาดภาพเป็นตัวร้ายเป็นคอมมอนนิสต์เป็นพวกไม่รักชาติที่จริงนักษากส่วนใหญ่นี่ก็รักชาติสากษัตร์นะแต่อาจจะไม่ได้รักในแบบของคนเหล่านั้นซึ่งเราเรียกง่ายๆลุมล้วเป็นฝ่ายขวา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 นปภาสาอะไรกับอธรรมนะไม่ควรยึมาถือมากมากมว่าใช้ให้ถูกกรณีนะแต่ถ้าเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยการที่เราจะมองเห็นคนอื่นเป็นศัต ร, ตรูก็เกิดขึ้นได้ง่ายความวุ่นวายในบ้านเมืองทั่วโลกเวลาเนี้ก็เกิดจากความยุดติดในทิฐิอุดมการอาจจะเป็นศาสนาตอนนี้ความยติถือมาในศาสนาเคยทาให้เกิดสงครามมาแล้ว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 เพราะว่ามีพระสอนว่าข่าคอมนิตไม่บาปอันนี้ก็พูดด้วยอํานาจของทิฏฐินะอำนาจความโกรธความเกลียดก็กลายเป็นว่าแทนที่บ้านเมืองจะสงบนะมันวุ่นวายเมืองไทยนี่โชคดีมากนะตอนนั้นภาคคอมนิสเนี่ยก็เข้มแข็งขึ้นเยอะเลยเราเกิดสงครามเกิดการกอ่อการร้ายเกิดการสู้รบกันทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มันเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองอยู่แล้ว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 แล้วก็ยับยังชั่งใจอย่าให้ใช้ความรุนแรงนะพะถ้าเราใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยก็เท่ากับเปิดช่องให้กิเลสสมานหรือว่านะให้ปีศาจร้ายเนี่ยมันเข้ามาครอบมาจิตใจให้ทํากิจก็ต้องคู่กับทำจิตนะทํากิจก็คือการรักษาวุทธศาสนาให้มั่นคงแต่ก็ต้องก็ต้องทําด้วยการทํากิจทําจิตด้วยคือจิตใจเราก็ต้อง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 นอกจากเราจะไม่เป็นพุทธแล้วนะยังอาจจะบัญทอนพุทธศาสนาไปโดยไม่รู้ตัวด้วยบัญทอนพุทธในนามของการปกปักรักษาพุทธศาสนาอันนี้คือบทเรียนที่เกิดขึ้นนะจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์รวมทั้ง6ตุลาด้วยเคํานี้ก็ฝ่ายพิจารณานะากราบพระพร้อมกัน